ของท่านอาจารย์มาหาบัวยานัทอัมกโอแสดงที่วัดป่าบ้านตามจังหวัดปุรทานีเมื่อคืนวันที่9เมษายน2599แก่คณะคุณหมออวยเตทิดศรี มีความค่ายต่อการศึกษาอีู่แล้ตัวเองจะไม่ทรางว่าที่ท้องตัวมีความค่ายต่อการศึกษ า, าก็ตามแต่เป็นใจของผิดไม่ว่าผิดของเด็กไม่ว่าผิดของผู้ใหญ่ไม่ว่าผิดของผู้หญิงผู้ชมีความสนใจต่อการศึกษาอยู่ตลอดเวลาคืออยากรรู้อยากเข้าใจ ทุกสิ่ที่มาเกี่ยวข้อสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นก็อยากเห็นไม่เคยได้ยินอยากไ ด, ด้ไม่เคยรู้อยากจะรู้ามเห็นการได้ยินก็เพื่อรู้ความค่าที่จะรู้สิ่ต่างๆทั้งเลยเรียกว่าจิตมีความสนใจต่อการศึตษาเป็น ก, กิจกรรมในสายของจิต คือความรู้ของจิ ต, ตมีเป็นหลักดูแล้วแต่ว่าจิตยังไม่พอกับความต้องการท่านจึงใครต่อการอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ยังไม่มาถึงณปัจจุบันจิตก็มีความสนใจอยู่อนนั้นผู้เป็นเจ้าของจินจำเป็นอย่างนี้ที่จะพยายามหาสิ่งสมควรแก่จิตที่จะรับประโยชน์จากการาศึกษาอาจจะกลอยให้จิตสะแสวงหาความรู้ความ เข้าใจไปตามอำเภอใจของตอนแล้วก็ย่อมจะไม่เลือกว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งในเป็นโทษเป็นคุนขอแต่ได้รู้ก็เป็นเป็นคอใจเท่านั้นนีเป็นตามธรรมนาของจิตเป็นอย่างนี้ไม่เช่นนั้นสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จิตจะปล่อยวางได้พันที ไม่จำเป็นจะต้องมาเจ็บปุ้นสังสมให้เกิดความรุ่มร้อนภายในตนไปเป็นเวล า, าแต่ทั้งนี้เพราะติไม่ได้คำนึงถึงความผิดความถูกเรือแข่งกันไปแต่มีความมุ่งอยากรู้อยาก<ม>เห็นอยากเข้าใจเป็นหลักใหญ่และมีกำลังมาก ความที่จะไขทวนเหตุผลเราจะเห็นได้จากจิตของเราเองขณะที่ประสบอารมณ์ที่ไม่พอใจก็ยังพอใจคิดพอใจปลุงพอใจยึดพอใจถือพอใจที่จะนำอารมณ์นั้นที่เห็นว่าไม่ดี น, นั้นเข้ามาฝังอยู่ายในใจิตใจพักตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่อาศัยแล้วก็อาศัยสิ่งที่ชั่วนั่นแหละที่เห็นว่าไม่ดีมันเป็นคู่เคียงของใจเ ส, สมอเหินเกิดความเสียใจยเป็นต้นความเสียใจยใครก็ทราบมาเป็นของไม่ดีเพราะเป็นเหตุนำมาสิ่งทุกข์ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะนำมาสิ่นทุกข์เหตุที่จะเสียใจยก็ เพราะจิตไม่เลือกสิ่งที่ควรจะเลือกและถือเอาสิ่งที่ควรจะเถือเอเนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นมีกําลังมากดังนั้นความดีใจความเสียใจคือความสุขความทุกข์จึงมีปะคนอยู่กับติดทั้งๆ ท, ที่เราไม่ต้องการแต่สิ่งเหล่านี้ ก็มีอยู่กับจิตได้เนื่องจากความสนใจใกล้รู้ของจิตไม่เบื่อหน่ายต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อประโยชน์สำหรับจิตของเราเราผู้เป็นเจ้าของจึงต้องเลือกเฟ้นให้จิตได้รับการศึกษาในทางที่ถูกตับ ในเวลาเป็นเด็กก็ต้อให้อบรมศึกษาในทางที่ดีไม่ปล่อยให้เป็นไปตามเคยใจของเด็กถึงเวลาเล่นก็เล่นแบบแต่ถึงเวลาทําก็ทำมือนาที่จะอบรมสั่งสอนเด็กให้ก็ดรุดตัวดีมีความขยันหมั่นเพียรไปในทางที่ถอบผู้ปกครองต้องอบรมสั่งสอนเด็กเสมอพ่อแม่เป็นสิ่งสําคัญที่จะให้ความรู้ความสนัดแก่เด็ก ในเบื้องต้นแต่เด็กที่ได้รับการศึกษาจากพอ่อแม่หรือจากผู้ปกครองทางโรงเรียนนั้นเป็นเตียงตีดยอดอันหนึ่งเท่านั้นแต่ที่เด็กเติบและการศึกษาอุดมจากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะเป็นหมู่เพื่อยไส้เตียงหรือไก่ก็ตามจะเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ตามและเรื่องอื่นๆที่ได้เคยได้ เคยเห็นเคยดยินหรือหมู่เพื่อนมาเลาให้ฟักระตั้เด็กจะมีความสนใจกับผิดนั้ น, น, นโดยไม่คํานึงถึงว่าสิ่งนั้ น, น, นถิดหรือถูกนี่เป็นเรื่องการศึกษาของผิดโดยหลักธรรมาชาติแล้วมีโอกาสที่จะรับการศึกษามากที่กว่าด้รับการอบรมศึกษาจากพ่อแม่ ทางบ้านและครูทาเยงเมื่อเป็นเช่นนั้นเด็กก็มีทางที่จะเสียได้คนเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็มีทางเสียได้เพราะไม่ได้คาดควรถึงความคิดถุกชั่วดีแหงความรู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นนั้อี่เราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธมามากะเราถือพระพุทธเ จ, จ้า เป็นสมบัติของเราทำ ม, มามากระดัสั ม, มามากระดัถือภรัษนัทไรเป็นสมบัติของเรานี้เป็นการชอบใจแม้เราจะดำเนินการของที่เราก็ไม่หนีจากหลักธรรมที่สอนไว้อย่างไรท่านออกมาจากศาสน า, ศาแลวสังฆท่านเป็นผู้งามอย่างยิ่งในโลกสงสารเพราะดำเนินตามพระพุทธเจ้าเรานับถือแล้ว จิตเอาข้อปฏิบัติของท่านเท่าที่เราจะนํามาปฏิบัติต่อโตนได้เนี้ยจะเป็นคารวะาก็ตายก็ชีว่ะเราได้รับการอบรมศึกษาในทางที่ดีมีเป็นมงคลสําหรับจิตผู้ไข่ต่อการศึกษาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจิตท้องเราเบื่อต่อการศึกษาไม่มีใครจะเบื่อในโลกนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่ว่านักบวดหรือคารวะไม่ว่าภาบทั้นวั น, นใดเป็นผูค่า้ต่อการศึกษาอยากรู้อยากเข้าใจในสิ่งต่างๆเท่าที่มีอยู่ในโลกนี้หรือหากว่าโลกหน้าโลกโลกใดมีจิตยังมีความสนใจอยากจะรู้ยิ่งเข้าไปจนหาที่สิ้สุดไม่ได้เพราะความอยากรู้ของใจนีเป็นคติธรรมนาของใจจะต้องเป็นเช่นนี้ด้วยกันทุกรายไม่มีใครจะปฏิเสธความไม่อยากศึกษาไม่อยากรู้ทั้งตนได้ เนี่ยหลักธรรมะติธรรมนาของใจที่มีประจําิสัยมีความใคร่อยากรู้อยากเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>เราผู้เป็นเจ้าของและได้รับการอบรมจากหลักธรรมซึ่งเป็นหลักที่รับรองมาแล้วจึงควรได้ควรเนื้อเฟ้นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรสนใ ให้เแี่จิตเสียรับการุบรมศึกษาแล้วยึดเข้ามาเป็นคติตัวอย่างหาดําเนินในทางที่ดีแม้จะผืนไปบ้างก็ตามการผืนเป็นเรื่องที่ต่อสู้ ก, กันกับสิ่งที่ตั่วเพื่อเอาชัยชนะทางสายดีมาเป็นประโยชน์สําหรับเราไม่มีทางเสียหายดีกว่าที่เราจะปลอ่ปลอยให้แต่วความลุกล้นล้วนซึ่งไม่มี เหตุผลและไม่มีเครื่องคือไม่มีธรรมเป็นเครื่องข้ามประกันลอยไปตามเรื่องนั้นจะทำความเสียหายแก่เราเนี่หลักใหญ่ของจิตเป็นอย่างนีน้หากเราไม่ได้คร่ควรรู้ให้ชาติเก่งแล้ว เราจะหาทางปฏิบัติให้จิตได้รับประโยชน์ได้ยากแม้สิ่งที่เป็นสาระแสงสารมีในโลกก็มีอยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นผู้ไม่ฉลาดไม่สามารถจะยึดรรมาเป็นประโยชน์ได้เช่นธรรมะของพระพุทธเจา้าปรากฏเป็นธรรมชาติที่กระเดืองเรื่องลือมาเป็นเวลาไม่รู้กี่กับกี่กัน ผู้ที่ยึดเอาได้ปฏิบัติตามพ้นจากทุกไปก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันผู้กำลังดำเนินตามพระองค์ท่านอยู่ก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นอย่างเราท่านทั้งหลายที่ได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมัติของตนได้พยายามดำเนินตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่าที่ความสามารถจะอำนวยเนื้อเทศ จะเห็นว่าสมควรแค่ไหนกับตนเกี่ยวกับหลักธรรมที่จะ น, นำมาปฏิบัติคนผู้ที่ไม่สนใจได้เลยนั้นเราก็ไม่ควรสนใจกับคนประเภทนั้นผู้ได้ดีเมื่อเข้าเกี่ยวข้องหรือคบค่าสมาคมกับท่านแล้ว หรือกลับเขาแล้วจะเป็นประโยชน์เรายินดีอบรมศึกษาหรือถือเอาเยื่องยาดเขามาเป็นคติเพื่อทำสอนสจิตใจซึ่งเป็นภูมมุ่งต่อความรู้อยู่แล้วให้มีความรู้ยิ่งขึ้นและมีความสง่าสอบพอบยิ่งขึ้นการจะทำตัวให้ดีย่อมมีการฝืนบ้าง ไม่ฝืนได้เลยก่อนจะเป็นตามกระแสของสัตว์ดังที่เคยเรียนท่อรจบจะไม่มีคิ้งใดดีพอที่จะเป็นเครื่องมองือกุญันทั้งขณะที่เป็นอยู่และขณะที่จะผ่านไปในอนาคตจนถึงจุดสุดท้ายจะผ่านโลกผ่านสงสารผ่านคืนผ่านวันผ่านปีผ่านเดือนผ่านาร่างกาย ร, กการ่างกายต่ตัวกลไม่เป็นประโยชนไหนนะจิตเป็นผู้ ใครต่อการศึกษาอยากรู้อยากเข้าใจก็จะได้แต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และกลับกลายเป็นค่าสึกต่อจิตผู้อยากรู้อีกด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าท่านมีพระเมตตามีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถ บาเพ็นพระองค์จนได้จัดสรุปสมกับภาพิไทยที่เป็นเช่นเดียวกับใจของพวกเรามามุ่งต่อการศึกษาอบรมห้ือความรู้ความเข้าใจท่านนำธรรมะที่ถูกต้องเข้ามาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจนกลายเป็นใจที่เจริญ อย่างสิทีแล้วประกาศพระศาสนาให้ปรากฏเป็นสวาคากตธรรมคือจรับไว้ชอบทุกบททุกบทไม่ว่าธรรมะขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงเป็นธรรมะที่อยู่ในเกณฑ์ของความรับรองในหลักความจริงเสมอกันหมดเนาผู้ใกลตสอการอบรมศึกษาเพื่อความรู้ความถนัให้สมกับใจเป็นนักศึกษาอยู่ โดยปกติแล้วเรได้พยายามนําธรรมะที่เ่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาบรรจุในความรู้ของเราความรู้ที่จอมปลอมทั้งหลายจะค่อยรายตัวออกไปหมดไปเป็นลำหลนักลำหนักความรู้ที่จริงความรู้ที่เป็นสาระแก่นสารความรู้ที่จะสนับสนุนตัวของเรา ให้ข้าวึสู่ความสุขความเจริญจ ะ, จะตามกันขึ้นมาเป็นระยะระยะนี่ท่นเรียกว่าดีขึ้นแต่ดีลงนั้นคือของดีที่มีอยู่นับบรรลน้อยถอยลงไปเสื่อลงไปดีในประเทนี้ไม่จัดว่าจะเป็นไปเพื่อความจเจริญเรียกว่าเป็นไปเพื่อความเสือ่อม เติมเอาเต็มที่แล้วก็จนมุมหาที่ไปไม่หนักโลกกว้างแสนกว้างก็ไม่ไปถูกจุดหมายปลายทางแต่จะไปถูกแต่ที่จนมุมทั้งนั้นไม่ตรงนั้นสัตว์ในโลกนี้จะมีไม่มีใครจนไม่มีใครง่ไม่มีใครทุกใครลำบากมีแต่คนมั่งมีสีสุขมีแต่คนสัตว์ที่รู้ทินฐดเต็มไปหมดทั้งโลกไม่มีความเดือดร้อน อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขสบายเพราะไม่จนมุงแต่นี้หาเป็นเ่นนั้นไม่ก็เพราะว่าจิตหาามลูกความสนาดในตนไม่ถูกพากิงกลายเป็นพูกจนมุงเข้ามาใส่ตัวเองท่านนักปฏิมัติที่เป็นพระกอกรุณาในพิจารณา ให้ขิงใจว่าเวลานี้เราต่างท่านก็มุ่งมาศึกษาบ้านเมืองเราก็มีแต่เราไม่อยู่วัดในบ้านเราก็มีแต่เราไม่อยู่ครูบราอาจารย์เราก็มีแต่เราก็ไม่อยู่มุ่งต่อแสวงหาครูบราอาจารย์เพื่อการศึกษาอารมณ์ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจโตรดอย่าได้ลืมเจตนาเื้องตนที่ตั้งไว้นี้และพยายามเสริมเจตนานี้ให้ มีความเจริญรุ่งขึ้นเรืองขึ้นไปเป็นลำดับทำสิ่งใดทําให้ถึงใจอย่าเป็นคนข้อแท้อ่อนแอคิดกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งสอนคนเพื่อความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้พุกก็ทนและพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกผู้มาพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกไม่จัดว่าเป็นผู้เรียนศัจธรรม ชอบทุกข์ก็เป็นสัจธรรมสมุทัยคือกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องหมักหมมอยู่ภายในใจและแสดงตัวออกมาอยู่ตลอดเวลาให้เขาเราเห็นดยู่ชัด ก, ก็เป็นสัจธรรมถ้าเราเรียนทุกข์ไม่จบรู้เรื่องของธรรมะสมุทัยไม่จบด้วยอํานาจความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องสอดสอ่องหรือเป็นเครื่องมือทำหนับทุกข์แม้พันจะกล่าวไว้ในกัมภีร แ 40, ปดหมืสี่พันระธรรมขันธ์จะกล่าวว่าแสดงความดับทุกข์ล้วนๆไม่มีตัวอื่นมาเกี่ยวพนเลยก็จะได้เห็นได้ยินตั้งแต่ในคัมภีร์แต่ใจของเราซึ่งเป็นคำเพี้ยนสำคัญนี้จะเป็นคำมภีร์นสำหรับบรรจุทุกข์ไว้ภายในหัวใจนี้อย่างเต็มตัวจะไม่ปรากฏว่านิโรธคือความดับทุกได้โดยขวาปฏิบัติมาปรากฏขึ้นภายในใจเลยแม้แต่ขณะเดยีย มี่าดําเนินไปในทางความเจ็บชานอ่อนแต่คอยหลังจะเป็นเช่นนี้ไปที่ไหนขอให้เราถือหรือเอาเราเป็นหลักประกันจะไปศึกษาอบรมกับครูบาราจารย์องไ์ใต้องถือเอาตัวของเราเป็นหลักประกันเราจะไปทํางานในแผนกใดก็ดีไปทํางานกับผู้ใดก็ดีเราต้องถือเราเป็นตัวประกันเสมอดีชั่วต้องขึ้นอยู่กับเราคนหนึ่ง ไม่น้อย่ากผู้ใหญ่ในวงงานนั้นๆซึ่งเป็นนายเราถ้าเราทำดีผู้ใหญ่ก็เห็นใจและเรื่องความดีจะปรากดสนองคนดีคนนั้นขึ้นเป็นลำหลำนักลำหนักแต่ถ้าจะไปคอยแตะติเจ้าตินายไมือคอยแต่จะไปเอาค่าจ้างรางวัลจากเขาโดยไม่คำนึงถึงตัวของของเราว่าทำงานดีแค่ไหนมีความขยันหมั่นเพียรมีความฉลาดรอบครอ เพงใด น, นั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรสหาหรับเราเรียกว่ามองข้ามตนไปที่ไหนก็จะการจะก็จะเป็นคนคนนั้นอยู่ตลอดไปหาวันเจริญรุ่งเรือ ง, งไม่ได้งานมีเต็มแผ่นดินแต่เราหางานไม่ได้เงินมีเต็มแผ่นดินแต่หาเงินไม่พออยู่พอใช้พอกินเพราะมันบกพร่องอยู่ที่ตัวของเราซึ่งมองข้ามตัวไปดีนี่การอบรมศึกษาก็เหมือนกันเช่นนั้นเราต้องถือเราเป็นหลักประกันเสมอ ไปศึกษาที่ไหนก็ศึกษาเพื่อเราท่านสอนอะไรก็ผู้สอนเรานั่นเองการปฏิบัติที่จะให้เป็นไปตามแถโอว่าคําสอนทั้งปุตจะก็ต้องถือเราเป็นหลักประกันว่าต้องปฏิบัติตนเช่นนั้นไม่เช่นนั้นไม่สมกับเราเป็นผู้มาศึกษาเพื่ อ, อเพื่อทําดิงนี่คือหลักสําคัญของผู้ปฏิบัติอย่าให้เกิดความท้อใจความท้อใจไม่ใช่เป็นของดีคือเป็นค่าสึกต่อการบําเพ็ญเพื่อความเจริญแก่ศน ความเกียดแคานถ้ า, าความเกียดแคานเป็นของดีแล้วโลกนี้มีความเกียดแคานเต็มไปหมดในคนและสัตว์ทำไมจึงต้องมีาศาสดามาสอนเพียงแต่ความเกียดแคานนั้นก็สมบูรณ์พอแล้วและสามารถจะยังบุคคลให้มีความเจริญรุง่งเรืองเข้าเทียมกันหมดไม่จําเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์มีโอวาสมาสอนกันแต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้นดังนั้นธรรมะจึงมีประจําโลก สอนไม่ทุบบททุบากสอนไม่เพื่อบอกความบกพร่องของเราแก้ความบกพร่องของเราเราบกพร่องตรงไหนตามหลักธรรมท่านว่าอย่างไรพยายามแก้ไขตนตามจุดที่บกพร่องซึ่งพระธรรมท่านสอนลงในจุดนั้นลงความบกพร่องเมื่อนะักการแก้ไขดัดแวงจะค่อยกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นท่านขั น, ขน จนสามารถทําตัวให้สมบูรณ์ได้ทั้งภายนอกคือข้อปฏิบัติทั้งภายในใจคือสมาอสมาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเมื่อรวมแล้วเรื่องสัจธรรมทั้งสี่ซึ่งเป็นของเคยมีอยู่ในใจของเรามาเปรนยญานานก็จะทาบกันได้ทันและวิ่งประสานกันหมดทั้งทุกทั้งสมุทยัยเรื่อํานาจของมัจะต้องสัมภเวญนิโรธาเมื่อทุกสมุทัยได้ดับไปแล้วไม่ต้องเรียกร้องที่ไหน จะปรากฏขึ้นมาที่ใจของเราเนี่ยเรื่องทำรรที่รับรองว่าเราจะสามารถเลิทําตนให้เป็นไปได้หรือไม่หรือว่านักผลมีพันมีหรือไม่นั้นต้องถามสามรรถภาพคือความสามารถของเราเราไม่จําเป็นจะต้องไปคาดหมายตามธรรมคำวิจาราะหรือไม่ไปตําหนิตธรรมะปุญจาว่าการนั้นสมัยนั้นเป็นอย่างนั้น นั้นจะเป็นอย่างนั้นและเวลานี้ทำธรรมะพระพุทธเจ้ายังทรงมรรคผลนี่ผ่านไหมหรือไม่นั่นเป็นความคิดเพื่อผีทางไปเถอะๆไม่เป็นไรหากว่าธรร ม, มะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่บุกร้องสมควรที่เราเจะได้วินิจัยใครควรดูเช่นั้นแล้วสวาคาตธรรมก็ไม่จัดว่าเป็นธรรมที่จัดชอบมีจัดชอบไหมทุกอย่างทิงได้ที่ มียังไงจรินอย่างไรในหลักธรรมด้สอนง่ายโดยถูกต้องผมกับพระพุทธเจ้าเป็นผูรู้โดยถูกต้องหาที่ตัณฑ์ไม่ได้จนถึงโลกได้กราบว่าบูชาตลอดาหาพระพุทธเจ้ามีความบกพร่องศาสนธ ร, รรมที่สอนออกมาก็จะต้องเป็นธรรมที่บกพร่องไม่เรียกว่าเป็นมัชฌิมาได้เลยแต่นี้คำวม่ามัชฌิมาก็คือความพอดีเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองจึงเป็นธรรมที่ควรอย่างยิ่งที่โลกจะต้อง ได้รับความสนัสนุนหรือไว้ ว, วางใจหน้าคําว่ามัติมาแปลว่าความพอดีคนที่ต่ําเกินไปไม่จัดว่าเป็นคนพอดีเขาเรียกคนเตี้ยสูงเกินไปเขาก็เรียกคนสูงคนไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปนั่นแน่เขาเรียกคนพอดีคนพอดีประเภทเช่นนั้นเรียกว่ามัติมา อาหารข้างค้าที่ทาที่ราปรุงแม่ครัวปรุงเพื่อรับทานเผ็ดเกินไปไม่จัดว่าพอดีเค็มเกินไปไม่จัดว่าพอดีเมื่อปรุงให้ถูกได้จัดแต่ส่วนทุกสิ่งทุกอย่างครอมมูลกันพอดีแล้วรับทานก็อร่อยน่นทางนอีกปากแม่ครัวคนนั้นปรุงอาหารดีอร่อยแม่แม่ครัว ม, มือหวานไปที่ไหนคนก็รักก็อชอบรับทาน แะไปขายอาหารเขาไปชอบซื้อมีการมีงานที่ไหนก็ชอบถูกเชื่อเชิญเสมอเพราะคนนั้นมีหลักมัชชิมาในการปรุงอาหารแยกกันออกอย่างนี้เรียกว่ามัชชิมาใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเราปลูกบ้านปลูกเรือนจะปลูกกี่ชั้นเราต้องกกความพอดีในแบบเรือนแันถังให้เสร็จถ้าให้ผิดส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วบ้านนั้นจะต้องบกพร่อง แั้นไม่อาจสามารถจะท่านทานความหนักหนากลายเป็นบ้านที่พังทลายลงไปหรืออย่างน้อยก็ไม่สวยงามเพราะไม่พอดีนี่เรียกว่าบ้านไม่ถูกมัตสมาถิ่ถูกให้พอดีพองามดูแล้วก็ปิดจิตติดใจติดตารักชอบพูดอยู่ก็เย็นใจ โปรเด้เทียบไปในจิ่งทั้งหลายถ้าเป็นหลักมัชเข้าในหลั ก, ลกมัชฌิมาแล้วจะต้องหน้าดูหน้าทบคนที่ปฏิบัติตัวพอดีพองามก็เป็นคนดีจะเป็นหญิงเป็นชายทั้งเป็นคนชามา่านหรือเป็นคนชาววัดหน้าดูทั้งนั้นเพราะมีหลักมัชฌิมาเป็นเครื่องประดับที่หน้าทบ ม, มเมื่อย้อนเข้ามาภายในจิตพยายามดําเนินตามหลักมัชฌิมาจะเป็นคําทชั้น ชั้นหยาบชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงจัดเป็นมัชฌิมาตามขั้นของธรรมตามขั้นของผู้ปฏิบัติ์ค่อว่าเป็นผู้มีความสวยงามเป็นผู้มีความสง่าราศีคืมีสง่าราศีผ่าเผยสามารถที่จะดึงดูดูจิตใจของตนให้มีความท่วมเย็นเย็นอกเย็นใจละสามารถจะทําความท่มเย็นให้แก่ผู้อื่นนไม่ตรีจารนี่หลักมัชฌิมา ท่านนักปฏิบัติตรวจด้วยคำหนึ่งของตัวของเราเสมอว่าเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติตรวจเรามีคำจงรักภักดีต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อความดีหรือความสุขความเจริญสําหรับเราธรรมะที่แสดงออกมาก็เพื่อสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เพื่อพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระองค์เดียวหากว่าเป็นธรรมที่เพื่อพระพุทธเจ้าเพื่อองค์เดียวแล้วไม่จําเป็นก็ต้องสั่งสอนโลกให้ลำบากลำบนพระตาหรือยังกระตุ้นในวันนั้นแล้ว ก็จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้หรือมีพานประเสียก็ไม่เป็นปัญหาไม่มีอะไรที่จะบกพร่องในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแตนี้ทําไมจึงต้องพยายามประกาศแนะนำสั่งสอนให้สามวชัชซุยภาระไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าจะรงทำภาระพรองค์ดเดียดภาระพองค์เดียดเพื่อจะแนะนําสั่งสอนสัตว์ผู้ที่โงงอ่ะขาบว่ า, วาปัญญาเช่นอย่างพวกเราทั้งหลายให้ได้ มีหูมีาตาใหสมกับว่าใจมีความรักความชอบในการในความรู้ความเห็นให้ถูกพุทด ถ, ถูกทางคือตามหลักธรรมของพระพพธิจาใจจะมีวันเจริญ ง, งอกงามขึ้นภายในตัวเนี่ยหลักปฏิบัตรเราต้อง มองดูตัวของเราเสมอธรรมะนั้นถูกต้องทุกส่วนแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาแต่เราบกพร่องส่วนใด น, นั่นแหละเป็นที่ตาหนิเราหน้าพยายามดัดแปงตัวเองหึือซ่อมในจุดนั้นให้สมบูรณ์ขึ้นมาการสุดผลเราพอฝุกผนได้ทรมานเราทรมานได้ ยิ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติแล้ว เ, <c oughs> เราเป็นผู้มุ่งธรรมะอย่างสูงสุดเราควรดูความปฏิบัติของเราให้มาก <c oughs> ถ้าจิตมีความอ่อนแอรเราต้องทราบทันทีว่านี่เรื่องภัยหรืออุปสรรคจะเกิดขึ้นแล้วกั้นกลางหนทางที่เราจะเป็นไปที่เราจะเ้าไปสูกพันกันเลยเรียบยกำจัดปัดเตา ไปโดยลำดับอย่านอนใจอยู่กับความที่เกียยกิดชัและความพอดแท้อ่อนแอนั้นจะิงที่เรานี้จะได้มีกำลังขึ้นข้อกรรมข้อการเสริมแล้วจะมีอำนาจรางควานเราตึงหาทางไปไม่นักเ น, นี้ยพอยกลับถึ้นในความนี้ก็รู้สึก เกิความวิตกกังวลเนื่องจากเมื่อเช้านี้ได้พูดกับท่านฝรั่งทั้งสองว่ามาอยู่ที่ในระยะนี้รู้สึกจิตใจย่อหยอดความเพียนไม่ค่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนแต่ก่อนถึงเป็นเหตให้คิดถึงเรื่องการเพราะพระสร้างพระรู้สึกว่าสร้างยากมาก้างคนให้เป็นคนดีก็ เป็นของยากสร้างเด็กให้เป็นเด็กดีก็ยากยังไม่ยากเท่าเราสร้างพระให้เป็นพระที่ดีเพราะพระให้เป็นพระที่ดีรู้สึกลำบากมากทีขึ้นเพราะตัวเองไม่ทราบว่าความย่อหย่อนนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษนี่ถ้าผู้ศึกษานั้น มีโอกาสจะทราบความน่ยอยย้อนนั้นว่าเป็นคนแะล้วก็ไม่ยากอะไรสําหรับผู้เนนั้นพยายามแก้ไขกันทันทีที่ยอยอู่อยย้อนเพราะเหตุใดความเปียยนย่อยย้อนเพราะเหตุใดยอ่ยอยย้พอนเพราะที่เกียดหนักแก้กันลงจุดที่ีเกียดวันนี้จะทําความเปียนเราจะเดินจมกรมสัก4ชั่วโมงแล้วจะบังพับจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบนี้จนกระทั่งถึงเดินจมกรมออก หรนั่งสมาธิจะนั่งอยู่ประมาณเท่านั้นชั่วโมงหรือเท่านั้นนาทีในขณะที่นั่งสมาธินั้นจะไม่ยอมให้จิตนีหนีจากกายไปน้าให้ตั้งอยู่ในองค์ของปัจธรรมหรือสติปัฏฐานสี่นี้วความย่อหย่อนเกิดมาทางไหนเมื่อตัวเองเป็นผู้กราหารทางใครขยันหมั่นเพียรกล้าเป็นก้าตาต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วความย่อหย่อนจะหาทางเกิดขึ้นที่ไหนรู้สึกว่าจะ อันตราธานภายใน ท, ทันทีมีทางแก้ความยอ่อหย่อนแก้ได้อย่างนี้ถ้าเราเห็นโทษแห่งความยอ่อหย่อนจริงๆนอกจากเราจะเห็นคุณเสียเท่านั้นธรรมะจะมีทางแทกเข้าในจิตใจได้เลยจะเป็นชาติั้นวันณะใดก็ตามจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเรื่องความยอ่อหย่อนนี้มีทางจะเกิดขึ้นได้โดยที่กรรมนี้ยจะมีทางอันตราธานหรืออย่างน้อยก็ลดน้อยถอยลงไปได้ ด้วยการแก้ไขตามมิตีที่กล่าวนี้อีกเค่นเดียวกันเราไม่ต้องการจะขาดคุณศูนย์กำไรเราต้องการจะเป็นผู้มีความเจริญความเจริญก็คือความเป็นสุขภายในใจ น, นี่เป็นหลักสําคัญอู่ที่ไหนขอให้เป็นสุขแม้จะเป็นคนคุกขด้วยสมบัติก็ขอให้เป็นสุขภายในใจ เป็นคนมั่งนี้ด้วยสมบัติก็พร้อมเป็ในปลูกทานาใจจะเป็นคนฉลาดก็พร้อมมีความปลูกใจเป็นคนโง่ก็พร้อมมีความปลูกใจนี่เป็นหลักสําหรับโลกที่ต้องการอยู่แล้วเราเป็นนักบวชก็เป็นผู้มุ่งอย่างนี้ในอันดับหนึ่งจึงควรจะมองเห็นโคษในความย่อหย่อยในความเพี้ยนของตนการภาวนาไม่ดีเพราะเหตุใดจึงไม่ดีต้องมีสาเหตุไม่ให้ดีจึงจะไม่ดีถ้ามีสาเหตุที่ดีแล้วเราจะบ่นว่าภาวนาไม่ดีไม่ได้ ข้อสาเหตุในทางทีต้องตรงไปหาผลอผลิตสาเหตุที่เป็นในทางที่ตำ่ำต้องยังผลให้ย่อหย่อนขึ้นมาไม่เป็นเม็ดกําหนดมีการเพราะตัวเองให้เจริญการสร้างตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองการสร้างพระให้เจริญต้องสร้างที่ครอปฏิบัติกรรมจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยตามหลักธรรมของพระโพธิจาร นี่เป็นทางเดินเพื่อความแก่เลยไม่มีความสุขถ้าเราทราบิโทษทำความย่อหย่อนของเราแล้วเราก็แก้ได้พ้าไม่อยู่ที่ไหนติดยู่กับำไลของเราทุกคนธรรมะทั้งหมดสอนไว้เพื่ออะไรเพื่อจะแก้สิ่งที่เป็นท่าศึกเท่านั้นหมดท่าศึก้วไม่จําเป็นจะแก้กันอะไร ถ้าเทียบกับคนไข้ก็หายจากไข้แล้วยาก็ไม่ทำไปนอกจากอาหารเป็นเครื่องบํารุงอัตภาพร่างกายไปทั่วๆไปในโรกเท่านั้นมีธรรมะเป็นเครื่องแก้ทุกมาพทุกหมดจากใจจริงๆเพราะสาเหตุไม่มีแล้วธรรมะก็เป็นธรรมะแต่ไม่ใช่เป็นธรรมะที่จะนำมาแก้ธรรมะที่ยอดเยี่ยมอันเป็นส่วนผลก็คือทุขขอกขโภวีรก อะไรจะยุ่งเหยิงใจไม่หยุดเขาจะยุ่งเราไม่หยุดโลกจะยุ่งเราไม่หยุดสิ่งายจะยุ่งเราไม่หยุดมีความทั้งหักจากสิ่งก่อควรอยู่ตลอดเวลานี่คือจิตที่หมดเรื่อเป็นอย่างนี้นี่เป็นผลแหืคือความประกอบเพื่อความเป็นอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกผัด เราเห็นว่าตัวของเรามีราคาเราต้องทําตัวของเราให้สมกับว่าตัวมีราคาด้วยความประพฤติปฏิบัติเพื่อความมีราคาเหมนกันไม่ใช่นั้นจะเป็นโมคะไม่ว่าโมคะบุรุษไม่ว่าโมคะสตรีไม่ว่าโมคะพิจุต เ, เป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าจำเนินไปตามทางสายโมคะต้องเป็นโมคะเสมอไปจะเป็นคนนี้คุณค้ม ค, ค่าขึ้นมาไม่ได้นี่เป็นหลักสาคัญ ที่จะนำมาปรับปรุงตัวของเราการสร้างเราเนี่ยสำคัญสำคัญกว่าการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างศึกส้าห้าสร้างบินต่างๆและมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเรานั้นด้วยเมื่อสร้างไดนะ้แล้ว จะทุกข์ยากลํำบากโปรดได้คํานึ่งถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสน า, ามีความทุกข์ยากลํำบากแทบแทบดักในการกประกอบความเปียกเพื่อรื้อพระองค์ออกจากกองถุกเราจะเห็นจะว่าเรายากคนเดียวลำบากคนเดียวทุกคนเดียวถ้าคิดอย่างนี้แล้วเป็นคนที่แคบเกินไป ห, หาทางออกไม่ได้เพราะเราทารู้วกันตัวเอง ไม่ได้เปิดทางเพื่อเดินไปสู่ความเจริญมีอุบายวิธีต้องต้องใ้ายอย่างนั้นใ้ามาดัดแันกันเองไม่มีอุบายวิธีก็หาทางออกให้หน้าเหมือนกันเหล่อเป็นผู้สนใจอยู่แค่นี้จะเชื่อว่าเป็นนักศึกษาและสมกับใจที่เป็นใจที่มุ่งต่อการอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้ว เนื้อจะสมความปรารนาในสิ่งที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นการกระทำความเห็นว่าบางคนเกิดมาเป็นคามรู้สึ